อนาติกิวานพิชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ841 1. ้ิกษอณีมีสตรีคนใดคนหนึ่งที่รู้เดียงสาอยู่เป็นเพื่อน 2. องพิชณีผู้ไม่ประสงค์จะอยู่ในที่ลับยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากัน 3. ามพิชณีที่ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันแต่คิดในเรื่องอื่น 4. ี่พิชณีวิกฤจดิศห้าพิชณีต้นบัญญัติ สิบครา้งบทที่หนึง่งจบ